ปัญจทาาวารวิถีนะเป็นจิตที่เข้าไปผูกพันกับรูปอย่างเหนียวแน่นคือไม่ไม่มีตาก็ไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะอารมณ์มันกระทบตามถึงเห็นอานุภาพมาถึงน้อยไปบรรลุอะไรไม่ได้ทางนี้แล้วถ้าคนเนี่ยสมมติว่าอ่านหนังสือก็แค่ผ่านตาไปเฉยเฉยเขาจะเข้าใจไหมจะเข้าใจหนังสือไหมหรือจะเข้าใจลึกซึ้งไหมไม่ลึกซึ้งนะ หรือคนจเจริญกรรมาฐานตาที่ว่าเห็นสักเทวเห็นเนี่ยอธิบายให้เข้ า, ข า, ต, ร า, ข า, ขาตรงนี้นะเห็นสักเทวเห็นนั้นไม่ได้แปลว่าปัญจทวารหรือจักขูทวารเห็นแล้วก็เลยไปโดยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้กําหนดอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห็นสักททวเห็นเะห็นสักเทวเห็นนะแปลว่าเมื่อตาเห็นรูปพับดับไปถ้าคนอื่นเขาก็เห็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอาสติสัมจัยยะทางมโนทวาร น, นี่ยมากําหนดรู้ ว่าเราได้เห็นนะไม่ได้กําหนดรู้ว่าเราได้เห็นที่จะกําหนดว่าเห็นหนอหรือเห็นหรือเห็นสักดิ์เท่าไหรเห็นก็แล้วแต่เถอะดังนั้นการที่ไม่ได้เอากําหนดเอามโนทวารมากําหนดการเห็นของปัญจทวารเนี่ยเห็นกี่ร้อยชาติเห็นกี่พันกี่ล้านครั้งก็ไม่ได้สติปัญญาขึ้นมาเลยไม่ก่อให้เกิดการลดละเลยเพราะเราก็เห็นกันอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมล่ะ เห็นแล้วก็เลยไปเห็นแล้วก็เลยไปไม่เคยกําหนดรู้เพะไอ้ที่มันมีราคาขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดยานปัญญาเกิดสํานึกอะไรต่างๆขึ้นในทางธรรมะเนี่ยเพราะตัวมโนทวารเข้าไปกําหนดปัญญาทวารทีทีนึงแล้วกําหนดนานๆเข้าเนี่ยมันเกิดกําลังและเกิดบรรลุขึ้นในภายหลังแล้วเรานึกดูครับว่าเมื่อใครที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เ้าไปดูไปดูของสิ่งเดียวกันเมื่อไปดูบ้าน แบบบ้านหลังหนึ่งหรือไปดูอะไรอย่างใด อ, อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ก็กดูอีกคนก็ดูแต่ดูเริ่มก็ดูกลับบ้านก็เลิกคิดอย่างนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คนที่เขามีความคิดเนี่ยเขาดูแล้วเขาคิดต่อนี่ปนแปลว่าโนทวาลเข้ามามามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญจทวารสติปัญญาความรู้ความเข้าใจการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะคนฉลาดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแล้วเอาเก็บออกมาเป็นบทเรียนตัวปัตตัวมโนทวานอาศัยปัญจทวานเกิด เป็นบทเรียนเป็นบทกรรมฐานหรือเป็นบทฝึกหัดอย่างนี้นั่นท่านจึงถือว่าจิตเนี่ยถ้าไปผูกกับวัตถุมากอนุภาพน้อยลงถ้ามันเกิดเอกเทศมากเท่าไหร่นะอนุภาพมากขึ้นทนะนั้นถึงละกิเลสได้ประหารอนุสัยกิเลสได้เข้าชาสมาบัติได้อันนี้เราก็นึกว่าถึงชีวิตจริงอย่างอย่างชีวิตอย่างเราเราเนี่ยเราพูดถึงทั้งชีวิตนะ เพื่อจะเปรียบเทียบกับวิถีจิตว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะผูกพันกับวัตถุมากบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีชีวิตผูกพันกับวัตถุมากเท่าไหร่อนุภาพในตัวน้อยลงนะแต่คนไหนที่พากตัวหรือถอนความติดหรือถอนความผูกพันในวัตถุมากเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่คนนั้นมีอนุภาพมากจริงไหมอย่างพวกพระในป่าเงี่ย พระที่อยู่ในป่าเขพูดได้เลยวา่าพระองค์ใดที่ไม่เก็บสะสมไม่คลุกครีได้หมู้วยคณะไม่ติดวัตถุพระองค์นั้นมีอนุภาพนะแต่ถ้าหากว่าติดวัตถุมากอนุภาพน้อยอยพูดไปเล่นๆวา่เาเงินยอดเงินในบัญชีสูงเท่าไหร่อนุภาพในตัวน้อยเท่านั้นนะ มันมันเป็นอย่างนี้นะครับในในหลักเบื้องสูงต้องทรมะในนี้อธิบายลวดไปถึงเบื้องสูง <c oughs> อ่าคราวนี้มาดูมโนทวารวิธีเข้าไปอีกนิดหนึ่งว่ามโนทวารวิธีนั้นมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพันธะอนุพันธะแปลว่าผูกพันหรือสืบเนื่องนะ อันธานะแปลว่าผูกพันนุแปลว่าตามตามสืบเนื่องเว่าคำหนึ่งใช้คำนี้คำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งใช้คำว่าตทนุวัติแปลว่าหมุนตามหมุนไปตามอันนี้เป็นคำแปลาทางพยัญชนะเราก็ควรสนใจไปด้วยโดยความหมายนะแปลว่ามโนทาวาลวิถีของเราเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่ง ความนึกคิดของเรานะ่ยเกิดขึ้นผูกพันกับทางปัญจทวารคือเมื่อตาเห็นแล้วเนี่ยใจมันเอามาคิดต่ออย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งมโนทวารมันคิดของมันโดยเอกเทศใช่ไม่ใช่เราเรานึกถึงประสบการณ์จริงเรานะครับว่าเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ต่างต่างทางตาทา ง, างหูทางจ ม, มูกเนี่ยใจมันเอาไปคิดต่อใช่ไหมมันเกิดความวังเวงติดความรู้สึกเอาไปคิดต่อ ทั้งอารมณ์ที่น่า ย, ยินดีอารมณ์ที่น่า ย, ยินร้ายไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเราถูกใครเขาว่าก็ว่าจบแล้วเราก็ได้ยินจบแล้วนะเอ๊แต่ทำไมมันไม่จบแค่นั้นบางทีตั้งหลายปีมันยังอยู่เลยใช่ไหมมันยังอยู่มันอยู่เนี่ยเพราะว่าไอ้มโนทวารเนี่ยครับมันเป็นมันเก็บไปมันตามติดมันผูกพันทางปัญจทาาวารตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เรื่องครับ แล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีไอ้บางเรื่องเนี่ยบางคนก็แม้ควรจะผูกพันุก็ไม่ผูกครับบางเรื่องไม่ควรจะลูกก็ผูกแล้วแต่ดีไซนคนสะสมมามักันนะบางคนเนี่ยว่าไม่ได้ใครว่าไม่ได้ไม่ลืมอ่ะแค้นไม่ลืมจําเป็นสิบสิบปีเลยแต่ให้ไปฟังธรรมะมันลุกขึ้นอย่างที่ลืมอุตษาหพูดซะอย่างดีลืมย้าซะอย่างดีลืมไอ้ที่เขาด่าไม่เคยยํา บอกมึงอย่าลืมนะกูด่ามึงเนี่ยลืมดูที่ไอพ่อแม่สอนบางนี้อย่าลืมนะจําใส่กระโหลกไว้นะไม่จําอะแต่คนอื่นเขาดา่าเบาๆยังยังไม่ลืมเลยเนี่ยแล้วมันก็อยู่ที่นิสัยคนเหมือนกันคนบางนค น, งคนเรียกว่าใจมันรับความชั่วอะไรที่ผ่านมาลองเป็นชัวช่วๆมันติดรับรับดีอะไรที่มันดีๆไม่รับบางคนก็รับดีนะบางคนก็ยังวงที่บางคนเขาพูดบางคนก็ทําไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะบอกว่าเราก็เลือกเอาแต่ที่ดีๆที่ ไอ้ไม่ดีแล้วก็อย่าไปเอาของเขาสิควาจริงถ้าทําได้อะดีมากนะอะไรที่ดีๆเราก็เอาคือถ้าคนทําได้อย่างนี้เนี่ยแม้แต่ด่ามันก็ยังมีดีคําด่านะคาําด่าคํานินทาเนี่ยมันมีดีทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้จักเลือกแล้วเราทําได้ไม่เสียใจดีโพดีผายไอ้นี่เป็นมโนทวารวิถีเพราะนั้นไอ้มโนทวารวิถีเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างมหาศาลก็ได้หรือเป็น อ, อันตรายต่อชีวิตของบุคคลก็ได้ ทำให้เป็นบ้าเป็นบอไปเลยก็ได้โนทวานงี่นะถ้าเราไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหยุดว่าออนี่มันมันปัญจตาวานเกิดจบจบแล้ว จ, จบกันแค่นี้เราอย่าไปตามติดคิดต่อมันนี้ถ้าเป็นสุทธามโนทวานวิถีสุทธะน่ะแปลว่ามันก็คำเดียวคำว่าบริสุทธิ์แต่มันไม่ได้หมายถึงบริสุทธิ์จะกิเลตแต่หมายถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะ เหมือนเห็นขอประทานอนุญาตเหมือนกับเราพูดภาษาบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่เกี่ยวข้องกันอื่นหรือคนที่ไม่แต่งงานก็คือคนอย่างบริสุทธิ์อยู่จากครูครองอะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกกับบริสุทธิ์หรือน้ําที่ไม่มีอะไรปนเรียงน้ําบริสุทธิ์วิถีจิตทางใจที่มันเกิดความคิดของมันเองโดยไม่ได้ไปอาศัยสิทธิเนื่องกับ การเห็นทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเรียกว่าสุทธะมโนทวารวิธีนั้นอย่างกรณีของคนที่ค้นคิดอะไรขึ้นมาได้นะคนที่ค้นคิดอะไรขึ้นมาได้การค้นคิดของบุคคลคนนั้นชื่อว่าค้นคิดด้วยสุทธะมโนทวารละวิถีเนี่ยพวกที่เป็นต้นคิดไม่ว่าอะไรทั้งหลายเรบเล่าตัวเราเนี่ยเป็นสุทธะถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่เก่งมาก ต้องยกให้ว่าเป็นเก่งเป็นพิเศษเพราะไม่ได้อาศัยอะไรมาเป็นแบบอย่างให้ได้ดูเป็นต้นคิดเลยเป็นสุดท้าคนที่มีความสามารถทางจิตที่สามารถจะ ก, กําหนดจิต เ, เห็นนู่นเห็นนี่ได้โดยใจนะหรือกําหนดรู้อนาคตได้โดยใจกําหนดอดีตได้หรือคิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ว่าหลับตาก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาหเห็น ไม่ได้ไปอ่านตำราตำรามาเด้มีใครมาบอกมาให้แนวความคิดอะไรอย่างนี้เป็นสุดนะมโนทวารวิถีอันนั้นคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเมื่อกี้ได้บอกว่าเป็นมโนทวารวิถีถ้าถามว่าเป็นมโนทวารวิถีพวกไหนเป็นสุทธามโนทวารวิถีคือเป็นมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง นะครับไอ้จิงอยู่ชั้นแรกอาจจะค่อยๆอบรมมาตั้งแต่ข้างนอกแต่พออบรมไปอบรมไปในจิตมันก็จะทิ้งเหตุการณ์ข้างนอกมากขึ้นแล้วมันก็แทงลึกเข้าไปข้างในเจาะลึกเข้าไปข้างในแล้วก็รู้เองเห็นเองด้วยตัวเองอย่างเนี้ยเป็นสุดท่านั้นพวกบรรลุมรรคผลนิพพานได้ฌานสมาบัตต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสุดทัสมโนทวารวิถีทั้งนั้นอันนี้ก็ให้กําหนดไว้นี่เรามองเลยสุดท่าลองไปอีก ชั้นหนึ่งสุทธามโนทวารวิถีนั้นท่านแบ่งออกเป็นสองจำพวกเป็นสองจำพวกจำพวกหนึ่งนั้นเป็นกามะสุทธะกามะเนี่ยหมายถึงอารมณ์อันอันเป็นที่นากไข่หน้าพอใจของกามบุคคลทั่วไปอย่างเราเราเนี่ย เรารับรู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องการมอารมณ์ต่างๆอารมณ์ชั้นกำกามเป็นว่าอย่างเราๆอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงเนี่ยอสุดท่าของเราก็เป็นสุดท่าแบบหนีไม่พ้นรูปโลกเสียงสัมผัสเรื่องอารมณ์ที่น่ายินดีเรียกว่าเป็นการมาสุดท่าอีกอยาหนึ่งเรียกว่าเป็นอัมปะนาอัปปน า, อ, ปปนาอัปปนานะก็คือจิตที่แนบแน่น ในอารมณ์ที่จิตนั้นเข้าถึงอยู่คือคนที่บรรลุฌานก็ดีบรรลุมรรคผลก็ดีถือว่าเป็นจิตที่แนบแน่นวิถีจิตก็จะแนบแน่นเป็นวิถีจิตที่แนบแน่นวิถีจิตที่เกิดขึ้นแล้วมีความแนบแน่นในอารมณ์ไม่มีความหวั่นไหววิถีจิตนั้นเรียกว่าอัปปนาวิถีชื่อซ้า ก, กันกับแล้วก็มีความหมายซ้า ก, กันกับ อปนาจิตที่เราเรียนมาในจิตประมัติแปลว่าจิตที่แนบแน่นแต่ออกมาเป็นรูปวิถีแล้วก็เรือกวิถีว่าเป็นวิถีแนบแน่นไปด้วยเราดูขยับเข้าไปเลยนะว่าถ้าเป็นกามสุดสุดทะเนี่ยคือความคิดนึกอย่างบริสุทธิ์ในเรื่องของกามอย่างของเรานั้นนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นสุดทะที่เห็นเป็นตัวอย่างมีอะไรบ้างที่เรา นึกขึ้นคิดขึ้นมามีเยอะแยะเลยนะครับที่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันหรือคนคิดอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยยกตัวอย่างถ้าพูดถึงในแง่ของศางสนานะคนที่คนคิดหลอดฟ้าหลอดไฟฟ้าได้เขานึกถึงภาพมันขึ้นมาก่อนนะว่ามันเป็นยังไงยังไงอย่างที่เราอ่านประวัติของบวกนักประดิตพวกนี้หรือคิดแผ่นเสียงขึ้นมาได้ จริงอยู่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่หน้าทางธรรมากขาเรียกว่าเป็นวัตถุกรรมทั้งนั้นคนที่คิดรถยนต์ขึ้นมาได้เหมือนกันลึกคิดออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาหรือคนที่คิดเครื่องบินขึ้นมาได้วิถีจิตที่ทําหน้าที่คิดสิ่งเหล่านี้เป็นการมมาสุดท่าเพราะสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นวัตถุกรรมถึงจะคิดเครื่องบินคิดจรวดคิดระเบิดปรมาณูได้แต่ไม่ทํากิเลส ของบุคคล น, นั้นให้ลดลงเลยใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทำกิเลสทั้งคนให้ให้ลดลงคนคิดนะเพราะอะไรเพราะว่าระดับความคิดหรือชั้นของความคิดนั้นยังวนเวียนอยู่เกี่ยวด้วยกามไม่ได้เป็นไปเพื่อการละกิเลสหรือทำให้ตัวเองดีขึ้นในขั้นสูงกว่านั้นนี่เป็นกามสุทธะหรือถ้ายกตัวอย่างในระดับอกุศลบ้างที่ต่ลงมาหน่อยเช่นในกรณีที่ พระเทวทัตวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันดีนี่ก็เป็นความคิดที่แยบยลใช่ไหมแกไม่เคยไปปรึกษาใครปรึกษาไม่ได้แต่คิดเองคิดตั้งแต่ล่อให้พระเจ้าอาชาติศัตรูมาเรื่อมใสแล้วก็คิดวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าโดยการวางคนไว้เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มตั้งแต่หนึ่งคนสองคนสี่คนแปดคนสิหกคนเนี่ยเป็นความคิด ที่วางแผนมาที่ไหนเราก็ไม่รู้นะแต่รับรองว่าท่านไม่ได้ไปไปปรึกษาใครมาแน่นอนเป็นการมาสุทธาฝ่ายอากุศลหรือคนที่คิดเกี่ยวกับพวกอาวุธสําหรับฆ่าสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันแหละครับเป็นการมาสุธาที่เป็นในไปในฝ่ายอาวุธอันนี้ถ้าเป็นอปปนาอันนี้เราจะได้เห็นเลยทีเดียวนะครับว่าเรื่องของ การปฏิบัติธรรมในเบื้องสูงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันอยู่หรือบางทีใครที่สนใจเรื่องนี้ศึกษาปริยัติด้วยจะเป็นส่วนช่วยเสริมความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้นว่าอัปนาวิถีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงท่านแบ่งเป็นโลกียาอ ป, ปนากับโลกุตระอ ป, ปนาโลกียอั ป, ปนานั้นหมายถึงวิถีจิตของพวกธรรมชาตวิถีจิตของพวกธรรมชาต พวกทำฌานในจิตเขาก็เกิดเป็นวิถีเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากพวกเราในหลายการณีด้วยกันโดยลําดับยังต่อไปนี้นะครับผมตั้งใจจะพูดในนี้ให้ฟังอธิบายให้ฟังมีความดังต่อไปนี้วิถีหนึ่งเขาเรียกว่าอาทิกกรรมมิกะฌานวิถีเราจําเป็นต้องพูดบาลีนะและท่านจําเป็นจะต้องกําหนดบาลีซะหน่อยอาทิกกรรมเนี่ยแปลว่าแรกทํา คือทำได้ครั้งแรกเอาความว่าอาธิกรรมมีกาชานเนี่ยหมายถึงคนที่ทำฌานได้เป็นครั้งแรกจากคนที่ไม่เคยได้ฌานอยู่ๆก็มาทำฌานได้ในขณะที่เขาทำฌานได้เป็นครั้งแรกเนี่ยเกิดวิถีขึ้นวิถีที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ฌานครั้งแรกนั้นไม่ได้เป็นวิถีจิตที่ยาวเหยียดอย่างที่เรานึกเข้าใจว่าเข้าฌานเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับ คนที่จะเข้าฌานเจ็ดวันเจ็ดคืนได้นะไม่ใช่อยู่ๆเข้าได้ทำไมอ่ะต้องฝึกต้องฝึกว่าสีจนเกิดความชานและขยายเวลาออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, นอยจนกระทั่งถึงเจ็ดวันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่จึงสามารถเข้าฌานได้ถึงเจ็ดวันแต่ว่าก่อนที่จะไปฝึกเนี่ยก็ต้องได้ฌานครั้งแรกก่อนฌานครั้งแรกที่ได้เนี่ยความรวดเร็วนะเหมือนกระสายฟ้าแลบ เปลบเดียวแปลว่าคนนั้นได้ฌานแล้วคือการบรรลุธรรมเบื้องสูงเนี่ยเขาอย่างเนี้ยมันปุบปับเพลบได้ปรับได้เวลาได้นะแต่ตอนที่เราเริ่มทำเริ่มสะสมความเพียรค่อยๆสะสมเดียน้อยเตียน้อยแต่พอถึงจุดบรรลุเนี่ยครับมันปพั็บบรรลุแปล็บบรรลุจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาญาณ ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติไม่ว่าจะเป็นมรรคเป็นผลมันแ ป, บปบ๊บแปมันธรรมดาของคนที่เขาทำทางจิตคนที่ทำทางจิตเนี่ยก็เหมือนอย่างพวกที่ทำทางจิตเ อ, อ, อย่างเราๆบางทีเรากำหนดรู้อะไรมันเวลามันจะรู้มันก็แป๊ บ, บรู้นะแป๊บรู้แป๊บรู้ค่อนข้างจะแปลกกว่าชีวิตธรรมดาของเราของเราเนี่ยอย่างเราเรียนธรรมะ ม, มันไม่แปบ๊บมันไม่แปบ๊บใช่ไหมล่ะ มันค่อยๆเก็บสะสมแล้วก็รู้สึกว่าสองชั่วโมงไม่เห็นแป๊บสักทีมันก็สะสมสะสมไปนี่มันเป็นธรรมดาของวิถีจิตที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการภาวนาจะเป็นอย่างนี้อันเราทําอะไรก็แล้วแต่เลยนะที่ไม่ได้เกี่ยวกภาวนาเนี่ยมันไม่มีการแป๊บเพราะอนุภาพมันน้อยมันเป็นไปลักษณะค่อยเป็นค่อยไปกินเวลามากไม่เหมือนกับพวกภาวนาเบื้องสูงนั้นอาธิกรรมมิการชานัน วิถีจิตของคนที่ได้ฌา น, นแรกเนี่ยเขามีวาดออกมาเป็นตัวให้เห็นเลยนะว่าขณะแรกเป็นไงขัานที่สองเป็นไงขัานที่สามเป็นไงแล้วก็ถึงสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อคนได้ฌานครั้งแรกคนที่ได้ฌานเนี่ยก็ยังว่างก็คงจะเหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยพอปฏิบัติแล้วได้จิมธรรมะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติต่ตอไปนะฮะ คือวางไม่ลงทิ้งไม่ลงว่ารถทำย่อมชนะรถทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็บ่าแล้วคือถ้าบรรลุแล้วทิ้งเลยเนี่ยรับรองคนนั้นไม่บรรลุอันนี้อันนี้จำมาอย่างเป็นข้อสังเกตที่เป็นจริงว่าธรรมะเนี่ยคนที่บรรลุสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะไม่หนีธรรมะมากตอนนั้นแต่ถ้าคนไหนบอกว่าฉันปฏิบัติมาหมดแล้วเดี๋ยนี้ฉันเลิกแล้ว อย่างนี้อย่างนี้รับรองว่าไม่จริงทั้งอดีตปัจจุบันเหมือนกันหมดธรรมะมีแต่ว่าดื่มเข้าไปแล้วมันก็ซึ้งซึ้งซึ้งซึ้งแล้วก็ทําให้บุคคลนั้นยืนชิดประตูนิพพานเข้าไปเข้าไปเข้าไปมากขึ้นเท่านั้นนั้วคนที่ได้ฌานเนี่ยเมื่อเขาได้ฌานแป๊บขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเกิดความปรารถนาว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถยืดอายุของไอ้แป๊บๆเนี่ยมันอยู่นานๆคือให้มันแป๊บๆตลอด แปรเป็นไฟสว่างนี้เลยไม่ใช่แปรแบบไฟแปรเปล้าหายไปสั้นนานไปไอ้ความเรืองรองมันน้อยกว่ากันท่านเหล่านี้ก็เริ่มฝึกฝึกให้เกิดความชํานาญเข้าชานบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าชานให้เกิดติดต่อกันเรียกว่าเป็นชานสว่างจ้าตลอดสามวันสามคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนห้าวันห้าคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ อาการที่ฌานเกิดต่อเนื่องกันอย่างนี้ตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นต้นเรียกว่าเป็นฌานสมาบัติวิถีเนี่ยเป็นฌานสมาบัติวิถีก่อนนับว่าเป็นวิถีจิตที่ยาวเหยียดเลยครับยาวเหยียดเลยตั้งแต่เรียกว่าหัววิถีนะ่ะเริ่มตั้งแต่แกล ร, รกที่เข้าฌานวันแรกแล้วก็ท้ายวิถีนั้นก็คือ แกลกสุดท้ายเมื่อวันที่เจ็ดยาวเหยียดเลยเหมือนกับยิเกมันลองลองว่ามีจระเข้ตัวใหญ่หัวจะอะไรหางหัวจมที่ปากน้ำโพแต่หางมาโผล่อายุธยายตัวมันยาวมากเป็นวิธีจิตที่ยาวก็ทำให้เกิดความสุขได้มากเนธันท์ยังบอกว่าความสุขที่สามารถที่จะแช่ชุ่มอยู่ได้ยาวนานที่สุด การมาสุขเนี่ยไม่สามารถจะทำอย่างนี้ได้แต่คนที่ทำฌานทำสมาธิสามารถที่จะมีความสุขอิ่มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนได้โดยไม่มีอะไรมาแทรกเลยรี น, นี้คนเมื่อเขาได้สมาบัติแล้วเนี่ยคนที่เขาทำฌานนะเราก็รู้ว่าคนที่ทำฌานเนี่ยคู่กับอภิญฐาความสามารถพิเศษท่านเหล่านี้ก็มาฝึกฝึกเขาเรียกว่าฝึกอภิ ญ, ญา เป็นความสามารถพิเศษหลายอย่างอภิญญาในทางรู้สิ่งต่างๆอภิญญาในทางการแสดงความสามารถพิเศษต่างๆคนที่จะทำอภิญญาได้เนี่ยเขามีวิธีการไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาหรอกจะต้องเข้าฌานชนิดพิเศษเข้าฌานชนิดพิเศษฌานชนิดพิเศษนั้นเขาเรียกว่าฌานที่เป็นบาทปาทกะฌานวิถีเข้าก่อนที่จะเข้าก็ รั่วตัวในจะเข้าเพื่ออะไรก่อนจะเข้าก็อธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าเข้าฌานครั้งนี้แล้วขอให้ความสามารถพิเศษของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้นแล้วเขาก็เข้าฌานพอเข้าฌานออกจากฌานความสามารถพิเศษก็เกิดเลยแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ทุกทีนะบางคนก็อธิษฐานแล้วยังไม่เกิดเพราะกำลังฌานเนี่ยยังไม่แน่นพอก็ต้องเข้าใหม่อธิษฐานใหม่แต่ว่าอธิษฐานไปที่ม่าเดี๋ยวก็ต้องเกิดจนได้ อันเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วเข้าฌานออกจากฌานพิเศษนี้ความสามารถพิเศษเกิดเลยเราะเหินเดินอากาศได้ตาทิพดูสิ่งต่างๆที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นได้อันไอ้เคล็ดหลักอย่างนี้เนะี่ะมันก็คล้ายๆกับคนที่ทําบุญไม่ต้องถึงขั้นฌา น, านที่เราต้องการจะเอาอํานาจบุญมาใช้ให้เกิดความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีความปรารถนาว่าจะทําบุญเพื่อหวังใช้อํานาจบุญเนี่ยมาสะดอเคราะ์อันใดอันหนึ่งนะอูดเป็นตําแน่งภนนาษาหมอเราก็อธิษฐานจิตว่าเนี่ยเราจะทําบุญอย่างนี้ขอให้ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดเนี่ยจงหายไปเถอะจงสิ้นไปเถอดเพราะการกระทาบุญนี้เถิดแล้วเราก็ทําบุญ บุญนั้นก็แก่ได้ช่วยได้คล้ายๆพวกหมอดูแล้วาก็แนะนำลูกค้าให้ทำบุญน่ะพอทำพ้นคราแล้วก็เลิกทำที <c oughs> นี้ถ้าทำอยู่บ่อยๆครอบมั่งไม่เข้ามานะ่ะน่าจะทำบ่อยๆ อ, อันนี้คล้ายๆกันหรือจะบวชเบอร์อะไรก็แล้วแต่สิครับบวชก็ด้บวชละอธิษฐานอย่างนี้อำนาจบุญนั้นก็มีส่วนเข้ามาช่วยได้ แต่ว่ากามาวาจรบุญอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยไม่ขลังเท่ากับภาวนาบุญภาวนาบุญเนี่ยขลังมากภาวนาอย่างที่เราทำทำนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วพอจะช่วยได้แล้วเวลาว่าเรามีปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราอธิษฐานว่าทำว่าจะไปบาเพ็ญภาวนานะไปบวชในกัมมะ ไปรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือไปทำวิปัสนากรรมฐานชั่วเท่านั้นหวันเท่านี้วันแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้กูสนละเจตนาที่กบเจ้าได้จังและจักได้ทำต่อไปจงได้แก้ไขปัญหาชีวิตกองกพเจ้าที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ให้หายไปเถิดอธิษฐานแล้วก็ไปทาก็จะช่วยได้ ช่วได้จริงๆนะไม่ใช่พูดหรอกไม่ใช่พูดเล่นๆอนะ่ะช่วยจริงๆโียเฉพาะทำทำกรรมฐานเนี่ยช่วยได้จริงๆเลยใครใครมีปัญหาแล้วยังไม่เคยไปทําลองดูสิครับลองดูนะครับแล้วถ้าจะให้ดีทําให้ครบเลยทําให้ครบเลยใส่บาทตอนเช้าใส่บาทก่อนจะไปหรือใส่มาล่วงหน้ากี่วันก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่ทุกวันทําให้ใหญ่หน่อย ได้ได้ได้ส่วนละบุญกิยาแล้วก็รักษาศีลไว้ด้วยอาจจะรักษาศีลแปดระลัยฐานมิเยแล้วก็พอถึงวันไปเราก็ไปเราจะได้ครบเลยทานศีลภาวนาครบแล้วก็จะมีอนุภาพเป็นพิเศษแก้ไขปัญหาตกถ้าปัญหามันรุนแรงทําครั้งแรกไม่ตกครั้งที่สองตกถ้าแรงกว่านั้นครั้งแรกไม่ตกทําครั้งที่สามตกแก้ได้ อกุศลและจิตเนี่ยมีอนุภาพแก้ไขปัญหาได้ให้เพิ่มอธิษฐานเข้าไปนะฮะเพิ่มแรงอธิษฐานเข้าไปอันเนี้ยเป็นเป็นหลักอย่างหนึ่งแม้พวกที่เข้ามาเอาเคล็ดตรงนี้มาทําวิชาคลังต่างๆพวกที่เขาทาวิชาคลังต่างๆในปัจจุบันเนี่ยหรือในทางตะวันตกที่เขาศึกษาเกี่ยวกับ เ, เ, เรื่องพลังจิตกันก็เหมือนกันครับไม่อธิษฐานไม่ได้ต้องอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ถ้าใช้พลังจิตก็ต้องทําสมาธิ เพื่อให้เกิดผลในทางพลัง น, น, นั้นขึ้นเพื่ออธิษฐานเสร็จแล้วออกมาอภิญยาวิถีก็เกิดเวลาคนแสดงฤทธิ์เนี่ยมีวิถีจิตทำงานเขาเรียกว่าอภิญยาวิถีจะเป็นอภิญยาอะไรก็มีวิถีจิตนั้นอันนี้เป็นโลกิยะเราไปดูโลกุตตละอัปปนาโลกุตตละอัปปนาซึ่งเป็นวิถีจิตแนบแน่น ฝ่ายโลกอุตระอ่อย้ำอีกครั้งที่ว่าแนบแน่นนะเพราะว่าวิถีจิตพวกเนี้ใครจะมาถอนมาทําลายไม่ได้หรือมาทําให้ล้มเลิกไม่ได้แตกต่างกันกันกบพวกกามวิถีอย่างของของเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยอถูกเหตุปัจจัยมากระทบกระเทือนให้คลายอารมณ์ได้คลายความรู้สึกได้แล้ mm hmm. คนที่เขาเข้าชานเนี่ยลองเข้าแล้วฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจ เอาระเบิดมาทิ้งก็ไม่ไม่ตกใจแล้วไม่ออกจากฌานครับเราเราพูดได้เลยว่าในทางหลักการเนี่ยแต่ตอนสมัยนั้นไม่มีระเบิดระมานูเลยนะแต่ก็พูดได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงกับเป็นการเกินความจริงในทางหลักการว่าคนที่เข้าสมาบัติแล้วเนี่ยอาวุธใดๆในตำราพูดพูดถึงขนาดว่าเอาก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากๆเลยเนี่ยมา ผูกเชือกค้อยไว้และให้คนตัดเชือกที่ผูกก้อนหินนั้นไว้พันกันไว้เป็นสามเกลียวเนี่เอาออกสัเกลียวหนึ่งหินนั้นก็ไม่ตกท่านก็บอกว่าอยู่ได้เชือกสองเกลียวเอาออกอีกเกลียวหนึ่งก้อนหินนั้นก็ไม่ตกอยู่ด้วยเชือกเกลียวที่สามตัดออกอีกเกลียวหนึ่งหินนั้นก็ลอยไม่ตกทั้งทั้งที่ไม่มีเชือกอยู่ด้วยอํานาจของพลังฌานพลังฌานค้าไว้ไม่ตก ท่านว่าอย่างงั้นนะคือต้องการจะแสดงอนุภาพผมนี่เป็นอั ป, ปนาอย่างนี้แ น, แน่นๆอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างเราอย่างเราเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆก็หันก็เห่แล้วงวนนังน่งๆฟั ง, ฟงๆอยู่มีเสียงวอลไปกันนะ อ, อกเลยไปเลยลืมเลยหรือบางทีนั่งอยู่เฉยๆมีอะไรมาสะกิดในใจนก็คิดไปแหละไม่มั่นคงงั้นพวกเราเนี่ยถึงเป็นบ้ากันได้คนทําสมาธิแล้วไม่บ้า ยิ่งได้ฌานแล้วไม่บ้าปเลิกพูดเลยเรื่องบ้าพวกได้ฌานไอ้ใจจะว่าบ้าปกับคนอื่นเขาว่าบ้าเองเขาว่าบ้าไปเองไม่ยังมามาเรียนธรรมะแม่มบ้าเข้าวัดจริ ง, ไ, งไอ้ผัวเมียกูนี่อะไรอย่างนีบางคนเขาว่าแต่คนอื่นเขาว่าไอ้คนว่าคนไม่เข้าวัดมันก็ดูต่อไปที่ใครจะบ้าไอ้ตอนว่าไอ้คนว่าจะบ้าแล้วก็ได้ ผมไม่มีเพื่อนบ้ามึงเลยว่าเราบ้าโลกุตละนะมีมรรควิถีตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าหลายคนจะสนใจว่าเวลาที่เราพูดว่าบรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลเนี่ยจิตทํางานกันยังไงพระพุทธเจ้าอธิบายถึงขนาดนั้นว่าเมื่อบรรลุมรรคผลจิตทํางานกันยังไงนิพพานปรากฏตอนไหนท่านเขียนเป็นรูปร่างออกมาใหได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็คนที่บรรลุมรรคผลแล้วสามารถเข้าผลสมาบัติได้ ผลสมาบัตินั้นเป็นการแสวงหาความสุขของผู้บรรลุโลกรัตตระธรรมคือผู้บรรลุโลกรตตระธรรมบรรลุมรรบรรลุผลเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วความสุขของบุคคลเหล่านี้จะอยู่ที่ธรรมะจะอยู่ที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นออย่างอื่นก็มีความสุขอนกันก็ไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับแสวงไม่แสวงหาแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการแสวงหาความสุขที่ท่านมุ่งหมายที่เป็นสาระ นั้นท่านเหล่านี้เนี่ยเมื่อท่านปลอดจากภารกิจใดๆท่านก็จะไปเข้าผลสมาบัติอย่างที่เราจะอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยบ่อยๆว่าเวลาตกบ่ายเมื่อกลางวันฉันประทหารเสร็จแล้วทํากิจที่จําเป็นเสร็จแล้วบรรดาพระในวัดในสมัยพุทธกาล ร, รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็จะพากันหลบไปหลังวัดไปอยู่ที่ราวป่าหลังวัดแล้วก็จะพากันเข้าสมาบัติกัน ที่ เ, เ, เ, เละองคละองคละองละององแล้วตกเย็นก็ออกมาออกมาในลักษณะที่ผ่องใสผ่องใสเราก็ค้นให้เข้าใจว่าต้องผ่องใสแน่คนเข้าสมาบัตนะ่ะของเราอย่างเราไปทํากรรมฐานนี่ยังไม่ถึงกับเป็นสมาบัตนะเพราะเราไม่ได้เข้าตลอดเจ็ดหรือไม่ได้เข้าตลอดแบบลองเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าเข้าตลอดแล้วถ้าเป็นสมาบัติต้องต้องหน่วงเอาที่ผ่านมาเป็นอารมณ์ แต่อย่างของเราในพีนิธีว่าเราไปทําพยายามทําตลอดก็ฟุ้งบังทําได้บังได้บังเห็นไหมออกมาอย่างน่าแช่แรมแช่แรมกันเป็นแถวสดใสกันเป็นแถวเป็นเป็นบา ร, รมีทำมันเป็นความสุขเป็นความสุขอย่างเหลือล้นพ้นประมาณอย่างยอดเยี่ยมที่สุดที่หาไม่ได้กับความสุขเราอื่นนี่เป็นผลสมาบัติวิถีนีท่านก็แสดงหน้าตาออไมา่เห็นแต่เวลาจะเข้าเนี่ยเขามีวิถีเข้า ว่าจะเข้าเข้าได้ยังไงถ้าไม่ไม่รู้วิธีเข้าเข้าไม่ได้ในวิธีจิตที่เขาแสดงว่าจะเข้ายัางไงเหมือนกันนิโรธสมาบัติเหมือนกันนิโรธสมาบัตินะ่ะสูงยิ่งกว่าผลสมาบัติเป็นสมาบัติที่เข้าในลักษณะดับความรู้สึกหมดเลยความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยหายหมดเลยฮนะเรียกว่าดับจิตดับเจตสิกแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นยอดของความสุขยิ่งกว่าความสุขที่มีอยู่ พูดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่คุนกับเรื่องสมาธิเรากลัวแต่คนคุนแล้วไม่กลัวครับนอกจากไม่กลัวแล้วยังรู้สึกสแสวงหาอยู่สแสวงหาว่าทํายังไงมันถึงจะหมดความรู้สึกนี้ไปทํายังไงความรู้สึกถึงจะลึกลงไปทํายังไงความรู้สึกถึงจะลึกลงไปนี่สําหรับคนทําสมาธินะทีเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตลึกลงไปจนทั่งสัญญาละเอียดมาก คนเหล่านี้เขาก็เกิดความคิดว่าทํำยังไงถึงจะไม่มีความรู้สึกเลยถ้าไม่มีความรู้สึกเลยนั่นจะเป็นยอดของความสุขเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติแต่คนจะเข้านิโรธสมาบัติได้นั้นอย่างเราเนี่ยเข้าไม่ได้อะไมถึงว่าอย่างเราเข้าไม่ได้คนจะเข้าได้นั้นบอกว่ามีอยู่สองประเภทพระอนาคามีบุคคลกับพระอรหันต์สองประเภทแถวนั้นเข้านเนนิโรธสมาบัติได้นอกนั้นเข้าไม่ได้ ถามว่าเอาทำไมสองท่านจึงเข้าได้คนอื่นเข้าไม่ได้เพราะว่าพระอาหารหันต์กับพระอนาคามีนั้นกิเลสกามท่านหมดแล้วไอ้กิเลสกามเนี่ยมันเป็นมันเป็นยางเหนียวที่ทําให้จิตของเราเนี่ยดับไม่ได้มันต้องเกิดเพราะมันมียางเหนียวพระโสดากับพระสกท า, าคาเมีเนี่ยยังมีกรรมเป็นยางเหนียวอยู่จึงไม่สามารถจะดับจิตได้เยท่านอธิบายให้เหตุผลอย่างนี้ ท่นที่ว่าเข้านี้โลดเข้านี้โลดเนี่ยแปลว่า ด, ดับจิตจริงๆนะไม่ใช่มีความรู้สึกอยู่อย่างที่เราเอาภาษาพระไปพูดว่าไอ้ น, นี่ก็ไม่น่าฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือใหญ่เลยบอกเนี่ยท่านเขาว่าเข้าไปไปทอดพป่าวัดหนึ่งแล้วพระลุกไปหมดแล้วก็เหลืออยู่องค์นั่งอยู่เอท่านก็ น, นึกว่าเอ้เราในเวลาทําบุญทีไรเนี่ถูกหวยทุกทีคนนี้นะ่ะ เขาบอกสงสัยเราจะต้องมีมีโลมีโชคอีกแล้วก็คลานเข้าไปหาพระที่เหลืออยู่องค์เดียวเขาไปกันหมดแล้วนะก็ไปถามบอกห mm hmm. ลวงพ่อครับท่านรอจะให้คารถผมฟังออกไหรอให้ขาลรถผมใช่ไหมครับขาลรถกลับคุงเทพท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ไม่ให้ท่านบอกว่า mm hmm. ปีนี้อายุอาตมาหกสิบสองแล้ว จเจ้าวาดเจดสิบห้าแล้วท่านก็นลุกไปลุกจากอาสนะนี่ยเขาก็เขาก็เขาถูกนะเขาถูกนี่เจ้าตัวเขาเล่าให้ผมฟังมาสามวันมาเนี้ยเขาถูกเขาบอกเลยว่าเขาบสถ์โรพักนี้ไม่ค่อยดูหวยเพราะทไมไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้ทำบุ ญ, บญว่าทําบุญทีไรถูกทุกทีเลยไม่ได้มันเล่าเพยุให้ไปเล่นหวยกับลราทีนี้เขาก็บอกว่าหมายถึงเข้าคนอื่น ก็ท่านองค์เนี่ยท่านเกง่งท่านเข้าสมาบัตดูหวยไอเข้านิโรธสมาบัตดูหวยเห็นหวยได้ไเข้านิโรธสมาบัตใช้คําว่านิโรธสมาบัตซึ่งไม่ใช่นิโรธสมาบัตจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะจิตไม่มีนั้นท่าบอกว่าเข้านิโรธสมาบัตเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่หลักนะเอาชื่อไปเรียกแต่ไม่ใช่เป็นหลักในนี้ ในวิธีจิตก็มีว่าเวลาจะเข้าเนี่ยมีขั้นมีตอนพอถึงจุดหนึ่งจิตดับปุ๊บดับแล้วก็ดับอยู่งั้นเจ็ดวันแต่ตัวยังอยู่พอถึงวันที่เจ็ดหรือเท่าที่อธิฐานไว้ว่าจะขออยู่แค่นี้พอถึงกําหนดจิตก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นพระอรหนันต์ล่ะถ้าผลจิตก็โผล่ขึ้นมาเป็นอนาคามีละอนาคามีผลจิตก็โผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโลกุตตะเป็นวิถีจิตขั้นสูง เราก็จะเห็นว่าวิถีจิตเราเนี่ยครอบคลุมความเคลื่อนไหวของจิตของคนเอาไว้ทั้งหมดและที่ที่ผมเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังอย่างคร่าวๆในนี้เป็นการแสดงในลักษณะรูปแบบหลักๆแต่ในทางอธิบายละเอียดนั้นในกรณีในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยว่าเช่นว่าเวลาเราฝันเนี่ยแต่ถามว่าเราฝันฝัน้วยวิถีประเภทไหนมีครับ แล้วฝันเรื่องอะไรวิถีจิตเป็นยังไงไม่เหมือนกันอย่างเช่นวเวลาคนฝันเนี่ยมักวิถีไม่ไม่ฝันพูดง่ายว่าอั ป, ปนาวิถีทั้งหมดไม่ปรากฏในความฝันเพราะว่าถ้าคนฝันเป็นอั ป, ปนาได้ก็แปลว่านอนนอนฝันได้ชานคนเรานะ่ะมีสิทธิ์จะฝันว่าได้ชานแต่ได้จริงมะฝันว่าได้ชานได้จริงรเปล่าได้ไม่จริง มันไม่เหมือนฝันได้เงินเนี่ยอาจจะได้จริงหรืออย่างลายของอาจารย์นะฝันเห็นหวยก็เห็นจริงที่นั่งอยู่เนี่ยผมไม่บอกว่าใครท่านพูดในฟังนะนก็เห็นจริงๆอะ่ะมันออกจริงจอ่ะอย่างนั้นเป็นไปได้เหมือนกันหรือฝันว่ามีใครเขาเอาอะไรมาใส่มือตื่นขึ้นมามีอยู่ในมือจริงๆรอย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าชาันแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกชานวิถีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย จึงไม่ปรากฏในขณะฝันแต่ฝันว่าได้ฌานนั่นเป็นเรื่องกามรวิถีมันคิดเลยของมันไปเองหรือฝันว่าบรรลุมรรคผลก็ฝันได้แต่บรรลุไม่จริงเราก็อาจจะเคยฝันบรรลุมรรคผลเลยแต่บรรลุไม่จริงอย่าว่าแต่ว่าฝันถึงบรรลุมรรคผลไม่ใช่แต่ฝันว่าได้วิปัสสนาญาณมีใครบ้างครับเคยฝันว่าได้วิปัสสนาญาณที่ไปปฏิบัติธรรมกันมาเนี่ยอาจจะมีนะฝันว่าได้โหมเห็นแล้ว น้ำลูกเกินดับยังไงยังไงเดี๋ยวเธออาจารย์มาสอบอาการลมจะจะตอบให้สบัดไปเชียวพอตื่นขึ้นมากลายเป็นความฝันไปซะนี่ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติทําไม่ใช่โลกของความฝันนะยิ่งไม่ใช่โลกของความฝันต้องเป็นโลกของความจริงที่ต้องใช้ความพยายามความฝันนั้นเป็นการเกิดขึ้นในลักษณะของเหตุปัจจัยหลายลอย่างอย่างเลื่อนลอยไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่ความฝันของเราเนี่ยเราฝันด้วยกามมวิถีครับฝัน้วยกามวิถีวิถีไหนที่เราฝันมากที่สุดกามาสุดท่ามโนทวารวิถีเราจะฝันด้วยวิถีจิตนี้มากที่สุดเลยไม่ว่าจะฝันด้วยเทพสังฮอนาธาตุกรรมเริบจิตอาวรนหรือกรรมบุปกรร ม, มนิมิตให้ฝันไปก็ตามเราจะฝันด้วยจิตพวกนี้